ต้นเบืองลายไม่ได้ความเกิดความตายของตในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยัง้งเลื่อยมาึนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นประโยชนตหาวเชือ่อทีคาให้เกิดตายยังมีอากใสด้เชื่อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งหลงนี้เนื้นถึงจะพูดให้ฟังก็ยังไม่เชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆแต่สําหรับเราเองีเราเชื่อแบบนั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสทาให้เกิดให้ตา ย, ยมีเชื่อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อกระห ม, ยมออายมจนอำจชา เด็กที่จะทราบ ม, มันก็ทำละลงไปเลยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกเทิดประมาณ2ีคนผมเนี่ยที่มาทำอะไรมาสร้างนั่นสร้างนี่สร้างหน้าโรงโ บ, บาลศาลพระพระภูเจ้าที่อะไรแบบนี้ ข้ามาหาเราสงสัยที่ึังพูดผีเจ้บุตรเทวดามันเป็นความจริงไหมท่านอาจารยในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายก ชบเก่ยวกเรื่องขึ้นไรขนาดนั้นเป็นผู้เป็นหมอนะซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆแล้วสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั้นโรลกนิ่นั้น น, นั่นคือโลกสิ่นั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือ น, นะตาชัดจริง บันดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันได้ปฏิบัติต่อเชื่อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเข้ามาปฏิเสธว่าเชื่อโรคไม่มีจริง นนความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื่อโรคชนี้ต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเทือกเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขายอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วๆไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือ เป็นของละเอียดโรคแต่และชนิดเป็นของละเอียดมากมันต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งหยุดยาวิชาแพทยเป็นอย่างนั้นสมุทธฐานของโลกก็รู้โลกเป็นโลคอย่างไรก็รู้ รักษาโดยยาขนาดใดมันจะหายหมอก็ <c oughs> กรู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายส่วนถ้าที่หมอรักษามานี่ ก, ก, ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทําการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจในศีลหนังมิชานั้นนั้นมารักษาโรค ทีนพระพุทธเจ้ากับคนทั่วไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันต่างกันหนมากเหมือนกับหมอกับนักประชาสุนทั่วไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแตกต่างกันูมากที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกนิยมต่างซึ่งเป็นความของละเอียพาะพระพุทธเจ้าเ็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาด รู้เรื่องของพิเลสปัญหาอา จ, จะวะเรื่องของเปรตของผีของเ ท, เทวดาและจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดเรื่องนี่อย่างนี้เราพูดออกไปจนเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์ ตนประจักรในประเทศไทยแล้วทุกแี่ทุกมุมไม่ได้มาสั่งสอนโรคอย่างร้นแรงเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบงุ้นแราเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนผู้ทธเจ้าก็เป็นพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พวกผิ้เจ้าเถื่อนทรงุแย้งเห็จริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนใหญ่ส่วนละเอียด กิเลสปัญหาอาสวะขอสงารสัตท e. ุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสเรื่องผีหนึ่งเทพบุกเทวดาก็มีในตำลักตำลาซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกเนี้ยรุกนเพราะความประจักษ์ประทัยแล้วจึงแสดงออกมอเป็น้งนั้นใครจะเที่ยวว่าสิ่งอย่างนี้มีหรือไม่มี ก็ไม่สามารถจะลบล่างสิ่งที่มีีได้ถามที่พระเจ้าทรงตรัไม่แล้วนั้นรพูดจากอธิบายก็สักแต่นี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นนะในขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นหนึ่งเพราะมันขึ้นกระสดอนๆนันก็ตอบกันนะุกกปเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องอาการเอาการทำงานนี่แหละ เพราะต้องเป็น น, นฉะนั้นก็นย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องพุทธพิสัส์เถรบุตรเทระดาอินมทมซึ่งอยู่ภายนอกลองนอกนั้นเลยแม้จะ่ิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้ทัศโลกท้างหลายก็อรับความลำบากระบนก็รับรับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทําลายตัวเสมอ ความรักเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุ ก, กข์กกก mm hmm. สิ่งอันนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นหความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อศาสโลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามอรรถติย้าพเรายังคล้อยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทุกทั้ ง, ท, ง, ท, งที่สิงเหล่านี้มีอยู่ในตัวงเราด้วย ราทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตําหนิว่าสิ่งเหลนี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระุทธเจ้าของเราแม้นานโคตรตาทั้งหน้าหรือมากรัสรืม่มาตรัสสอนโลกข้างนก็จะนํำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมด แม้เช่นนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบวิธีคราจะว่าวิเศษวิโสผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจ ะ, วาาาะมาเชื่อพระพุทธเจ้านันจะเกิดประโยชน์อันลายกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทําลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อ่นั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อัะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําลายตนได้ ไม่สนใจกับหมอกับมุกกับยาแล้วมันตายแล้วแน่ๆคนไข้คนนั้นพอไม่เชื่อหมอเช่นนั้นแค่นี้นั่นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภยัยต่อตนเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้กระสิกที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราเราไม่รู้ หากเรรู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลําบากลำบากในต่อในเรื่องจิตใจส่วนหร่างกายนั้นมันก็เป็นอีกแน่นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกั น, น, นทุกเขเวทนาสุขเวทนาอุปติขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มี้จิใจนั่นด้วเป็นของสําคัญ มันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมว่ามีแต่ี่โรคที่โกรธี่หลงกลองอย่งนี้นนะมันช่ว ง, งหัวใจั้หาความยิ่งเยี่ยมอิสูงไม่ได้วิ่งตามความขี้โลกขีโกรธขียลงอยู่ตลอดมันดีไหมล่ะเป็นพรเจ้าทรงรู้ทรงรักหนึ่ง การพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าการโลกที่ท้ายเกิด อ, อยู่ไม่อยู่ไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัด น, นี้และจะเป็นไปอยู่ปัญ้าประมาณไม่น่าทันคือเพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติที่ไม่ประสบความทุกข์ความลําบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอ ท่านทิงกว่าดุขั้งนัตีิอาชาตัสสาวทุกย่อมไม่มีแต่ทุกไม่เกิดถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิอันละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาของที่เล็ดมีความละเอียดทุกที่แสงมากับที่เล็ดซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นนั้นั้นเราจะชามได้ยน ง, งาน พระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งอันนี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพรงปฏิบัติถึงหกปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งครั้งนอกครั้งในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์ประทัะท้อนอย่างลิ่มในคืนของวันโดยเป็นซึ่งทรงพระกระยาหานมาทั้งสี่สิบเก้าวัน ในวันเป็นเดือนหกวันเช้านั้นสวยพระกาหฐารของนางสุธาดาสี่ที่เก้าข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนขอกเราคงไม่พอจะสร้างได้แต่เป็นความสิ่งที่พระองค์ทรงสวยพระกายของนางสุชาดาที่เขาไปเช่นสวนที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้น แลวประกอบกับตอนนั้นพระสรจจะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็อยรยกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วดพิลิศเพื่อเป็นเครื่องสร้างฐานจิตใจร่างกายก็เบาหวิวไปหมด เพราะต้องอดปฎกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยอาจารช้านั้นร่างการทุกสวนตีต้องเหมาะสมอยู่กับการบาเพ็ญธรรมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทงางปิตาภวนาเริ่มแรกทรงพุทณานาคณะกำหนดหนาตานตักสิซึ่งพระองค์ทรงเลือกด้านนะขาที่เป็นทรงพยาว ที่พระราชบิดาพาพาทะเลือนาขวายที่ทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลอีกประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นกินย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันเดินกำเนิดอาณาจารย้แม่ปิลมหายใจเข้าออกปฐมยามขก็ขการากฏก่าได้บุปผา ตามอยากทำทัานกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสาังติยะ่าปฏิญาปุเพวาสาังติญาสมรุษ ช, ชาต์ถอยหลังได้กี่ชี่วขีชาตินัตติมยามมีอะไรทรงปฏจิจจาพิจารณาปฏจิจจารสมุบา เราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยค่อยแลวกันสรุปลงในปัจฉิมยามทรงพิจารณาปฏิจัทุกข์ใายเสร็จสำเร็จอาสวะรค์ยรยานคือปัจฉิมยามนั้นทรงทาบความที่ตีและเกิดของสัตวทั้งหลายที่เรียกว่าอจตุปอาตยาน บุพเพนิวะสารวิญญาณทรงรู้ทรงเห็นในปฐมมัญยามจิตตุปาปยานทรนสงทราบความเกิดความตายของสัตความทุกข์เกิดตาทั้งสัวสตว์ในมัติมัยยามพอปฏิมัยยามเป็นซึ่งเป็นยามสุดท้ายก็ได้สําเร็จเป็นอาสวะขันต์หรืออาสวะขยลาตทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะ ภายในพระไตรนั่นเนี่ยเป็นเวลาที่พระงได้ตัดชาตตัดภกที่จะเป็นแปลนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเชื่ออวิชาทรงพิจารณาปัจจัยการอาวิชาปฏิญาสั้งข่าราสรั้งข่าราปฏิญาสิปญญาหนนะังจนกระทั่งถึงสมุทยโยโหติเมื่อ เมื่อวิชามีก็สังขารก็มีเรื่อยๆลยลวิชาเป็นปรจจัยให้เกิดสังขารทังขารเป็นปัจจัยให้เกิดอวิยญาณญาเป็นปัจจัให้เกิดนามรูปให้เป็นภัสสาก็เป็นเมตนาให้เป็นสัหาเป็นอุ ป, ปาทาเนเรื่อยถึงสมุรทัยโยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเกวเมตตาเกวารัลตาเกยวัลตานี่คือาาามหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเปน็นสมุทัยทั้งสิ้น ลมปฏิโลภทิจนาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชานตเววะอเชชเวรารานิรุธาตั้งค่ารานิรถทุกเมื่วิชาดับสั้งขารดับทั้งขารดับดินงานดับเลื่อยไปจนมาสร้งถึงเอเวอร์ตาสกิเยวาะกับขันภาษานิโรโทโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างกันมีพระองค์ ดับพบดับชาต์ดับที่อวิชชาดับทรงธรรมราอวิชชาภายในพระไทยดับโ ด, บดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัดถีดานิบุณภโวบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นรูปเป็นหลักในพบน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นอีกแล้วทรงทราบ เพราะวิชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สับสนหลายไปเกิดในภพมากภพใหญ่นี้ได้ถูกทําลายโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรก็พาให้ไปเกิดพพไหนไหนก็ดีหยุดบริสุทธิ์เป็นที่แล้วไม่ควรจะการเกิดในภพใดๆเพราะเป็นมิมุติจิตหยุดหลุดพ้นแล้วจากวงสมมุติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมุติเท่านั้นนี่เลยหยุดหลุพ้นแล้วนี่การที่สูด เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็าตามนอกจากของตนแต่แล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเซ็ฑเป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบ้อยแล้วถึงจะสามารถทราเรื่องของสัตว์โลก ท, ทั่วไปได้มากเป็นนลักษณะเดียวกันนี้<ม>นะรู้แจองที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกัรเสมดได้ตลอดทั่วถึง อันนี้ก็เรียกว่าโลกวิถีโลกรู้แจ้งโลกโลกธาตุแห่งขันมีอวิชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันเป็นพบเป็นฉากเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่สมรู้แจ้งเห็จริงทุกสิ่ทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วแล้ะสารโลกที่เป็นประยุทในเรื่องความเกิดตานั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทงทราบหมด ในาการณ์พิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาพปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขปลดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดั้นต้องพิสูจน์กันทางภาพปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายตั้งแต่จิตเริ่มขงบ เป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่า ง, งเป็นส่วนของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามา ก, กเป็นการสร้างฐาน่างความแ น, น่นหนามั่นคงของใจขึ้ น, นโดยลําดับเลยนะเสร็จกระทั่งทราบได้ชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจนยังคาคาวกันอยู่กับพิเรนปัญหาอาสวะ ภั้งานจิตก็ต่างแต่ก็พอทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธานี้ว่าเป็นตนก็ตาม ก, ก็พอทราบได้ว่าเป็นคนนั้นจิตยอย่างเป็นแต่ยังว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยกดิสตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญา ปัญญาที่จะมาเนี่ ย, ยท่านเพ่งคำสอยเยสาโนมานะขาพันตาไปโจนี่เป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะคอยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อกไม่วุ่นวายย่ไม่แสเจอศาสไปไหนศาสแสไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่มหงอยในอารมณ์ ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิตมีความอิ่ตัวพอสมควรนั่นแหละนําออกพิจารณาทื่ จ, าจอาศัยเกียรสาลูมานะขาสัมตาตโตเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุโทโสมโมสังขฆอนาปานะเทศิตเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัต เพื่อความสงบไว้ก่อนให้จิตในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมตอนนั้นหนาแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีที่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่สายแสไปยึดทะเลทลายไปจูอารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิต จิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วหัวไปทีนี้เจสขาลงมาณขาท่านตาตะจูนั้นน่ะเยียดเป็นนิปัตนาคือทางปัญญาต่อไปคืนี้ากาหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วจึงเจษขาลงมานขาท่านตาตะจูนั้นจะเป็นสถานที่ทํางานเพื่อความกระชากแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาเยียดเยีย ออกดูชิ้นนั้นชิ้นนี้เพื่อจะนาซึมซาบไปตัวสารน้่างร่างกายทั้งบนขั้งล่างมองทะลุบุกโปร่งไปด้วยปัญญาในฐานที่นี่หรืออาการทั้งห้าเป็นต้ น, น, นเลยกลายเป็น ท, ทางเดินของมิตรศาสนาที่ครายออกที่เรือกก็ให้รวมตัวซะก่อนเหนระทแปลว่าที่รวมตัวหรือแปลวมมา่ามัด เห็นอีก่คายมาัดมันออกมัดที่ตัวของเรานี่ยทั้งตัวนี่มัดดัดดึงกันอยู่ด้วยเส่นเป็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อเห็นไหเมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องของหนังอ่ะภาวนี้พิจารณหนังดูข้างในดูกําหนดดูข้างในกําหนดดูข้างนอก ดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดถอดถึงจิตใจก็ยิ่งเคยเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิปุจโสพโลกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเขาปรสารความถิ่นของมันแล้วหาความสวยของงามไม่ได้แนมะ้แต่ชิ้นเดียวะปัญญาสอบแ่รกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพี่ล้ามาหนังทั้งข้างนอกข้างในทั้งหนังอมันก็เหมือนกันอีก จิตจะซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึกปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจาไปเข้าใจาจิตยิ่งมีความเพลินเลยแนื้อกำหนดมัเปื่อมันเน่ามันทังชลาสมมติว่าตัวเราตายแล้วผกเนื้อห น, หนังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพอง้นแล้วแต่อาจารย์ลงไป เป็นของปฏิบุล์ใอย่างหลวงแนละ้วถึงออกจากรวมตัวกันแล้วแต่กระจายออกไปยิ่งเป็นของปฏิกบูล์ที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนั่นเองอยู่ภายใ น, ในมีนหนังหุ้มหอมีจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังแสดงความปฏิบุนะล์ตัวไหนนะเราจิตมักหลงในตอนนี้ทอนี้พอปัญญาไนดะ้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆ ต, ตามความเปจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนคอนขันได้หรือไม่ หนังก็สักใจว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางประฏิปุณก็ตรงไหนที่เป็นสุภาคือความงามไม่มีแต่สุภาคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิปุณต่อครบเท่านั้นพิณาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อมๆมันน่ารักน่ายินดีน่านดีน่าผีนนางไงแล้วพิจณาเข้าไปในสวนในเข้าไปเตลาดก็ยังเห็นแต่ความปรฏิปุณเต็มตระหมดปา่าช้าผีดิบผีแห้ง เอาบพของจักต่างๆมากรองอยู่ในผงนรวมกันอยู่แล้วก็เป็นกองปฏิกูลยังลมผ่านมาทางสวรหนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจะหมูกจะหักเฮ้ย้หนักมันก็ยิ่งซึ่งไปซึ่งไปสะนั้นขยายนี่กำหนดมันแตกอาจายลงไป มาตาไปแล้วนี้แสดงตัวเต็มที่ป้าคุกูนนี้แสดงตัวอย่างเป็นที่นเห็นอย่างชัดเจนสากนั้นก็แห้งกรอบเยมลงไปกรอบเยมลงไปส่วนน้ประชุมคาบลงไปเป็นน้ำขมเป็นไอที่บนอากาศขมส่วนลมก็กลายเป็นลมไปตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินไอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินนันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติ แล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเราตั้งขึ้นมาเอาติตเข้าไปสวงเข้าไปแล้วตั้งตัวลูกขึ้นมาสิเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านเป็นไหมเอากําหนดจิตนี่อย่างไรนั่นก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็ผู้เป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะทําให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับทรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอยู่นั่นแหละมันไม่เป็นแั่เป็นอุคครดังที่เราเศษสันตั้นหยอนนี่คือความจรินลบไม่ศูนย์แต่แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะ ปรากฏขึ้นมาใ น, นส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตตรีญาณเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเนาเป็นของเราก็สักแต่ว่ า, านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงมุงงานกับสิ่งอย่า น, น, นี้ไปที่นันนี้เป็นเนาเป็นของเราเท่านั้นเองมีอะไรไมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความทำนิชทำนัา การพิจารณาอสุภะอธุภานล้องแค่แจ ก, าก่ากำหนดลงไปนี้มันทะลุผุศโง่ไปหมการแตกการสลายทำลายรวดอย่างโวดเวร็วนึกกับพิจารณาให้แทงทะลุไปหมดร้วนแน่นจนจะเปิดกรองให้จังทุกขังต า, ามันก็ตาย ไ, ได้อย่างรวดเร็วอุปทาคนคมวิมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเรา อย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งๆสาสักหลายขั้างลายหนจนเป็นที่พอตัวแล้วคำว่าอุปาทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมานั่นเรจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเมา ไม่ยึดมั่นถือมา่นีเรียองของอุปท า, านทางกายหมดไปหรือแต่เวตนาทั้ง า, ง า, างทั้งขามีญาณเมตนานี้ยแยกได้สองอย่างเวตนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยมีได้ทั้งทางทางกายและใจเพระาะฉะนั้นเมตนาจินเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณา แต่ความละเอียดราออกขนาดนี้แล่จะมีสุขเวทนาเด่นดวงอยู่ภายในจิในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศ้าหมองบ้างนเล็กน้อยจะทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาเแยเีย่ๆพกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ ก, ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วทั้งหมดเป็นสิทธตที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้น ทุ ก, ก็ดีทุ ก, ก็ดีที่เถิดก็ ด, กกดีมันไม่ใช่เอาไม่ใช่ของหลักมันเป็นพสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยพันนี้เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้เป็ น, น้นิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำหน้าหมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่สาเในสังขารตรุง ทั้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจคือต้องมีเกิดมีดับยินยานความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสหูตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปอั น, นก็ดับไปพราะ รับธาตุเพียงแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื่อแต่ของจังทุกของร่างเราหาสาระสําคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรานี้ว่าเป็นตนเราก็ต้องเป็นทุกเกิดอยู่วันจังค่ำคืนยังลุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรอืเทวนาทุกๆเฉยๆเกิดดับไปก็ เราทราบว่าวเรื่องเขาเกิดเขาหนับปัญญาสั้งขาทั้งยานแต่ละอย่างอย่างตาปวดตัวขึ้นมาเกิดเกิดดับหนักเราก็สร้างเขาเกิดดับหนักผู้รู้จริงๆไม่หนักนั่นเพราะยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดลอละเอียดลออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่เรียนธนาการเรียนธนาจิรู้เข้าไปแต่ส่วนเรีนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะห น, นึ่งเรียนธนาของกายนี้เข้าใจ ต่อยได้เพราะขันห้าฟังดูแลขันห้าเวทนาส่วนร่างกายนี้จัดเข้าในกองขันห้าเข้าใจต่อยได้สัญญาทันขันอย่าต่อได้ชนเวทนาทางจิตท่าวิชายังไม่ดับยังยังดับไปไม่ได้จิดละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือคือจิตละเอียดเวทนาก็าต้องมีละเอียดคือสุกอย่างละเอียด ทุก็มีอย่างละเอียดแสงกันไปด้วยถ้ามีสุขถึงทราบว่ามีทุกนะสิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วทันก็ปล่อยนี่เราเรียกเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการสูดการตายเป็นอย่างไตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พากิดหาตายนั้นเป็นมาจากมาเป็นมาจากอะไร มีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันห้านี้ก็ยังทราบคัดแล้วว่าเรื่องพบหยาบๆ อ, อ, อย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนั่นส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมาส่วนละเอียด <c oughs> จะพูดถึงว่าความเป็นที่ควรจะอย่างพวกกายจิตพรมามโลกเนะี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติ สติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภาในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหนือเลยซึ่งชื่อว่าีิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะ ด, ดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นอธินีทราบได้ชัดว่าจิดนี้ควรจะความไม่เกิดแล้ว ตั้งใจแบบนี้ต่อไปเป็นอันัตยุติเรื่องการเที่ยวจับจองป่าช้าในพบต่างๆพกน้อยพอยางทั้งหลายเป็นอันัายุติกันแล้วหมดเลิกกันพูดยังไงเลิกการเที่ยวจับจองป่าช้าเลิกความเป็นเจ้าของป่าช้าคือการเกิตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอยีกต่อไป เป็นความพระจักภายในจิตไม่มีจิตใดเหลืออยู่เลยขึ้นถือว่าสิ่งที่จะพาให้จะกอบกํามเนี่เกิดที่นั่งที่นี้นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดที่เกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้รู้อยู่กับจิพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจนึงได้นำ ม, มาทําเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัจจิปปาน ลงแสดงทั้งผลเป็นลําดับๆลบงไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้จะประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลับธรรมะในตับธรรมชาติไม่ใช่นิพพานนังประมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นส ม, มุดส ม, มุติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะเสียดแล้งคมขนาดไหนอวิชชา อิจฉานัน้เรื่องเมตนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาต้องมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจึงยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาจึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองนี้ยังมีอยู่ภายในจิตพออวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกเมท น, นาทั้งกวงก็าดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้น ผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดประการทั้งสวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตทั้งท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงข่านนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ไม่ได้ไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตรีมูทเวทนานี่เป็นสมมูิเข้ากันได้อย่างไรนี่จิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมด เรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาไม่ต้นเหตุเนี่ยท่เดียวอวิชชาและกัเลวะเสสิยานิโรธาสร้างฆารนิโรธุสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรธาวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธานามปันิโรธาสราญาณิโรธสราญาณิโราพัสสานิโรธาภัสสานิโรธาเวณานิโรธาเวณานิโรธาตันห้ายโรธตันหยโรชาปาดานิโรธา วานั้นนิโรธาทวะนิโรธเพราะไอโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธอะเรพวกอะไเลกอดูสุปาะนี่รุดแขนตมเมื่อวิชาดับสังขารดับสังรารดรบระระระระับระระระระระระระระระระระทั่ะระระระระโะระระระริระระระระระระเะระระรมระระรใรเระระนะระระระระระระรระระร ท่านเขียนไว้จาลึกไว้ในคำขีดนั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไม่เกิดวิย่างคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของอวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชา เป็นพิเด็ดทั้งหลายเลื่อยเราจะยัง้งถึงดับโดยสิ่นเชิงตัวอภิชาติแท้ๆวิชาปัจญาสั้งางข่าวแต่แท้คือใจอยู่ที่ใจนี้นี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติการเชื่อเรื่องพบเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเกี่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วนัใน ได้เขียนมาแล้วในตวรรษทั้งท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวธรรมดาเรายอมกราบสักหนึ่งเพอตัดกงกรรมของนักท่องเที่ยวคือวิชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเดือดเป็นวิวัตาจักรสิ้นหมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ไดนะ้สิ้นสุดมีการประพิตปฏิบัติธรรม ผลในการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจรเอาใจจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัตวนของตสวทายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานา น, านแสนนานถึงไหนก็ตามทำเป็นทมคงเส่นคงวาต่อความเหมาะสมในการแกร้สิ่ิทุกข์ประทภปที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา มาะสมมีู่ตลอดเวละในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชันอยู่หรือปริพัติไปแล้วไม่สําคัญสาคัญที่พระอาวาติที่สอนไปแล้วนี้เป็นเพราะอวัติเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเชยออกจากแต่สําหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถั่ายเทเท่านั้นแตาเราไม่สนใจปฏิบัติแ่าจะเกาะชาจีวังพระพุทธเจ้าอยู่มันก็ แบบที่เหลือปัญหาเต็มหัวใจอยู่นั่นเลยพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเท่าใจการปฏิบัติมีความพอใจบึกบืนต่อการนำไปปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับ เ, เราทุกมาใน้พในชาติน้อยชาตใจอะไรสัรง่งกว่านี้ทำไมจึงทนได้ถึงมาเกิดต่างนี้เหตุใดเวลานะประกอบความเข้าใจมีทุก เกิทุกบ้างแต่ผลไม่ได้ล่ะเรต้องมาเทียงเทียงเพื่อหาทางแบบว่าไปได้เราอยากท้องถอยเราจะเอากิเลสเข้ามากล่องหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่องใจสนหรับเราเชื่อธรรมเรามาเชื่อกิเลสเราจะเอาเแต่ธรรมมากล่องก็เอาแต่กิเลสมากล่องเราเราก็เป็นเรื่องของกิเลสขั้งหอดมันกลองให้หลับสนิทนะแค่นี้ก่อนท่านจะอธิบายเพื่อนทับ Thank you.